บทภาชนีติกะปาจิตตีสองร้อยหของเก็บสะสมไว้ภิกษุสําคัญว่าเป็นของเก็บสะสมไว้เคี้ยวของเคี้ยวหรือฉันของฉันต้องอบัดปภาจิตตีของเก็บสะสมไว้ภิกษุไม่แน่ใจเคี้ยวของเคี้ยวหรือฉันของฉันต้องอบัติภาจิตตีของเก็บสะสมไว้ภิกษุสําคัญว่าไม่ใช่ของเก็บสะสมไว้เคี้ยวของเคี้ยวหรือฉันของฉันต้องอบัติภาจิตตีทุกกฎ ภิกษุรับประเคนยามากาลิกศตตาหากาลิศยาว่าชีวิกไว้เป็นอาหารต้องอบ bon ัตทุกกฎภิกษุชั้นต้องอ bon <garder> บัต <Volvo> ทุกกฎทุกๆคำกลืนไม่ใช่ของเก็บสะสมไว้ภิกษุสำคัญว่าเป็นของเก็บสะสมไว้ต้องอบัตทุกกฎไม่ใช่ของเก็บสะสมไว้ภิกษุไม่แน่ใจต้องอบัตทุกกฎไม่ใช่ของเก็บสะสมไว้ภิกษุสำคัญว่าไม่ใช่ของเก็บสะสมไว้ไม่ต้องอบัต